เราประคองจิตให้สงบตั้งมั่นเป็นสมาธินภายในดำรงอยู่ในสมาธินิมิตเบื้องต้นนั้นตลอดนิยัการข้อนี้ควรเชื่อท่านพระโคโดมผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ท่านพระโคโดมทราบดีอยู่หรือว่าพระองค์เป็นผู้จำวัดในเวลากลางวันอคิเวชนะเรารู้อยู่ว่าในเดือนท้ายแห่งฤดูร้อนเรากลับจากบินทบาท ภายหลังชันพัตถารเสร็จแล้วปูวสังคาติให้เป็นสี่ชั้นมีสติสัมปชัญญะนอนตะแคงข้างเบื้องขวาท่านพระโคดมผู้เจริญสมณพราหมณ์พวกหนึ่งกล่าวว่าการปฏิบัติแบบนั้นเป็นการอยู่ด้วยความหลงอคิเวสนาะบุคคลเป็นผู้หลงหรือไม่หลงด้วยเหตุเพียงเท่านั้นหามิได้บุคคลเป็นผู้หลงหรือเป็นผู้ไม่หลงด้วยเหตุใด ท่านจงฟังเหตุนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวสัจกะนิ ค, ครนทบุตรทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าอาคิเวสนะอาสวะทั้งหลายอันทำให้เศร้าหมองให้เกิดในภพใหม่ให้เกิดความกรวนกรวายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีชาติชราและมรณะต่อไปบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งยังละไม่ได้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 สัจกะนิครนถบุตรสันเสริญพระพุทธเจ้าเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสัจกะนิครนเบุตรเด้๋ยกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏพระโคดมผู้เจริญผู้ที่ข้าพระเจ้ามาสนทนากระทบกระทั่ง และไต่ถามด้วยคำที่ปรุงแต่งมาอย่างนี้ก็ยังมีพระชวีวันผ่องใสทั้งมีพระพักเ ป, ปล่งปลั่งเพราะท่านเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพเจ้าจำได้ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้เริ่มโตวาทะกับท่านปุรณกัสปะแม้ท่านปุรณกัสปะนั้นเริ่มโตวาทะกับข้าพเจ้าก็นาเรื่องอื่นมาพูดกลบเกลื่อนเสียและชักนาให้พูดออกนอกเรื่อง ทั้งทำความโกรธเคืองและความไม่พอใจให้ปรากฏเขาพเจ้าจำได้ว่าเขาพเจ้าเป็นผู้เริ่มโต้วาทะกับท่านมัคคิโคสารท่านอจิตะเกตกมพลท่านปะกุทะกัจายานะท่านสัญชัยเวรัตบุตรท่านนิครนนาตบุตรแม้ท่านนิครนนาตบุตรนั้นเริ่มโตวาทะกับเขาพเจ้าก็นาเรื่องอื่นมาพูดกลบเกลื่นเสียและชักนําให้พูดออกนอกเรื่อง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 มีหน้าที่ที่จะต้องทำอีกมากพระผู้มีพระภาคตรัสว่าท่านจงกำหนดเวลาที่สมควรณนะบัดนี้เถิดครั้งนั้นสัจกะนิครนตบุตรชื่นชมยินดีพระพาสิทธิของพระผู้มีพระภาคลุกจากอาสนะแล้วจากไปดังนี้แลมหาสัจกะสูตรที่หจบ จูลตันหาสังขยสูรว่าด้วยความสิ้นตันหาสูตรเล็กปัญหาธรรมของเท้าสักกะข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ปราสาทของมิคารามานะาบุพารามเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นท้าสักกะจอมเทพเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ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 เป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าจอมเทพภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้สดับว่าทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถ้าข้อนั้นภิกษุได้สดับแล้วอย่างนี้ว่าทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นภิกษุนั้นย่อมรู้ยิ่งทำทั้งปวงครั้นรู้ยิ่งทำทั้งปวงแล้วย่อมกําหนดรู้ทำทั้งปวง ครั้นกำหนดรู้ทำทั้งปวงแล้วเธอได้สวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขก็ตามทุกข์ก็ตามมิใช่ทุกข์มิใช่สุขก็ตามเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับและพิจารณาเห็นความสลัดทิ้งในเวทนาทั้งหลายนั้นอยู่เมื่อพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับ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 ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วอันตรธานไปจากที่นั้นนั่นเองพระมหาโมคลานะทดสอบเท้าสักกะสมัยนั้นท่านพระมหาโมคลานะ นั่งอยู่ในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคได้มีความคิดว่าเท้าศักกะนั้นทราบเนื้อความแห่งพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคแล้วจึงยินดีหรือว่าไม่ทราบแล้วก็ยินดีทางที่ดีเราควรรู้เรื่องที่เท้าศักกะจอมเทพทรงทราบเนื้อความแห่งพระภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคแล้วยินดีหรือว่าไม่ทราบแล้วก็ยินดี จากนั้นท่านพระมหาโมคลานะได้อันตทานจากปราสาทของมิคารมาตาในบุพารามไปปรากฏในหมู่เทพชั้นดาวดึงเปรียบเหมือนคนแข็งแรงเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นครั้งนั้นเท้าสักกะจอมเทพกำลังเ อ, อิบอิ่มพร้อมพรั่งบมเรย อ, อยู่ด้วยทิพยะดนตรี500ชนิดในสวนดอกบุนทริกล้วน เท้าเธอทอดพระเนตรเห็นท่านพระโมคคัลลานะมาแต่ไกลจึงรับสั่งให้หยุดบรรเลงที่พยาดนตรีทั้งห้าร้อยชนิดไว้เสด็จเข้าไปหาท่านพระโมคคัลลานะแล้วตรัสว่านิมนต์เข้ามาเถิดท่านพระมหาโมคคัลลานะผู้นิรทุข์ขอต้อนรับนานๆท่านจะมีเวลามานะที่นี้นิมนต์นั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้เถิด ท่านพระมหาโมคลานะนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วส่วนเท้าสักกะจอมเทพได้ทรงเลือกที่นั่งณนะที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่าท่านพระมหาโมคลานะจึงทูลถามเท้าสักกะจอมเทพว่าเท้าโกสีพระผู้มีประภาคได้ตรสถึงความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่อกแก่ท่านอย่างไรขอโอกาสเถิด แม้อัตมาภาพก็จะขอมีส่วนในการฟังคาถานั้นเท้าสักกะตรัสตอบว่าท่านพระมหาโมคลานะข้าพเจ้ามีกิจมากมีหน้าที่ที่จะต้องทำอีกมากทั้งหน้าที่ส่วนตัวและหน้าที่ของพวกเทพชั้นเดวดึงพระพาสิทธิใดที่ข้าพเจ้าฟังแล้วก็ลืมเสียเร็วพลันพระพาสิทธินั้นท่านฟังดีเรียนดีใส่ใจดีแล้วทรงจาไว้ดีแล้ว เรื่องเคยมีมาแล้วสงครามระหว่างเทวดากับอสูรได้ประชิดกันแล้วในสงครามนั้นพวกเทวดาชนะพวกอสูรแพ้เขาวเจ้าชนะเทวาสุระสงครามเสร็จสิ้นแล้วกลับจากสงครามนั้นแล้วได้สร้างเวชยันตะประสศาสเวชยันตะประสศาสมีร้อยชั้นในชั้นหนึ่งหนึ่งมีคูตาคารเรือนมียอดเจดร้อยหลัง ในกูตาคารหลังหนึ่งหนึ่งมีนางอับซรนเจ็ดองนางอับซอนองหนึ่งหนึ่งมีเทพธิดาเบอรเรอร์เจ็ดองท่านพระโมคลานะท่านปรารถนาเพื่อจะชมสถานที่น่ารื่นรมแห่งเวชยันต์ตะปราซาหรือไม่ท่านพระโมคลานะรับโดยดุษณีภาพ เทระใช้นิ้วเท้าเขยา่าเวชยันต์ตะปราศาสตครั้งนั้นเท้าสักกะจอมเทพและเท้าวเวสวร์มหาราชนิมนท่านพระมหาโมคลานะให้นำหน้าเข้าไปยังเวชยันต์ตะปราศาสตพวกเทพธิดาผู้บำเรอของเท้าสักกะเห็นท่านพระมหาโมคลานะมาแต่ไกลก็เกรงกลัวและอายอยู่จึงเข้าสู่ห้องเล็กของตนของตน ดุดหญิงสะไภ้เห็นพ่อผัวแล้วก็เกรงกลัวและอายอยู่ฉะนั้นจากนั้นเท้าสักกะจอมเทพและเท้าวเวสวรัร์มหาราชเมื่อนิมนต์ให้ท่านพระโมคลานะเที่ยวเดินชมไปยังเวชยันตประสาสตได้ตรัสว่าท่านพระมหาโมคลานะขอท่านจงดูสถานที่ที่น่ารื่นรมแห่งเวชยันตประสาทแม้นี้ขอท่านจงดูสถานที่ที่น่ารื่นรม แห่งเวทียันตตาประสาสตแม้นี้ท่านพระมหาโมคคลานะกล่าวว่าสถานที่ที่น่ารื่นรมของท่านเท้าโกสีนี้งดงามเหมือนสถานที่ของผู้ที่ได้ทำบุญไว้ในปางก่อนแม้มนุษย์ทั้งหลายเห็นสถานที่ที่น่ารื่นรมใดๆแล้วก็กล่าวอย่างนี้ว่างามจริงดูสถานที่ที่น่ารื่นรมของพวกเทพชั้นดาวเดือง ในขณะนั้นท่านพระมหาโมคลานะได้มีความคิดว่าเท้าสักกะนี้เป็นผู้ประมาทอยู่มากนะักทางที่ดีเราควรให้เท้าสักกะนี้สังเวชจึงบรรดาลอิทาพิสังขารใช้นิ้วเท้าแม่เท้ากดเวชยันตประศาทเขย่าให้สันสะท้านหวั่นไหวทันใดนั้นเท้าสักกะจอมเทพเท้าวเวสวรามหาราชและพวกเทพชั้นดาวดืง มีความประหลาดมหัศจรรย์ใจกล่าวกันว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายหน้าอาัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏพระสมณะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากใช้นิ้วเท้าแม่เท้ากดที่พยะพิภพเขย่าวให้สันสะท้านวันไว้ได้ครั้งนั้นท่านพระมหาโมคลานะทราบว่าเท้าสักกะจอมเทพทรงมีความสลดจิตขนลูกแล้วจึงทูลถามว่า ท้าโคสีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่ออย่างไรขอโอกาสเถิดแม้อัตมาภาพก็จะขอมีส่วนเพื่อฟังคาถานั้นข้อปฏิบัติเพื่อความสิ้นตัณหา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 มีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤกษพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเมื่อข้าพเจ้าทูลถามอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าจอมเทพภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้สดับว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถ้าข้อนั้นภิกษุได้สดับแล้วอย่างนี้ว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่น ภิกษุนั้นย่อมรู้ยิ่งทำทั้งปวงครั้นรู้ยิ่งทำทั้งปวงแล้วย่อมกำหนดรู้ทำทั้งปวงครั้นกำหนดรู้ทำทั้งปวงแล้วเธอได้สวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขก็ตามทุกข์ก็ตามมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ก็ตามเธอพิจารณ า, าเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับและพิจารณาเห็นความสลัดทิ้งในเวทนาทั้งหลายนั้นอยู่ เมื่อพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความคลายคำนัดพิจารณาเห็นความดับและพิจารณาเห็นความสลัดทิ้งในเวทนาทั้งหลายนั้นอยู่ย่อมไม่ยึดมั่นอะไรอะไรในโลกเมื่อไม่ยึดมั่นย่อมไม่สะดุ้งหวาดวันเมื่อไม่สะดุ้งหวาดวันย่อมดับกิเลสให้สงบได้เฉพาะตนและรู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจ ท, ที่ควรทำเสร็จแล้ว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 พระผู้มีพระภาคได้ตรัสความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่ อ, อกแก่เข้าพระเจ้าอย่างนี้ครั้งนั้นท่านพระมหาโมกขลานะชื่นชมยินดีพาสิธิ์ของเท้าสักกะแล้วอันตรธานจากหมู่เทพชั้นดาวดึงมาปรากฏที่ปราสาทของมิคารมาตาในบุพารามเปรียบเหมือนคนแข็งแรงเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้น ครั้งนั้นพวกเทพธิดาผู้บำเรอเท้าสักกะจอมเทพเมื่อท่านพระมหาโมคลานะจากไปแล้วไม่นานได้ทูลถามเท้าสักกะจอมเทพว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์พระสมณะนั้นเป็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระาศาสดาของพระองค์หรือ no เท้าสักกะกร่าตอบว่าเราเทพธิดาผู้นิรทุกข์พระสมณะนั้นไม่ใช่พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระาศาสดาของเรา เป็นท่านพระมหาโมคลานะผู้เป็นเพื่อนพรหมจารีของเราพวกเทพธิดาเหล่านั้นทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์เป็นลาภของพระองค์พระองค์ได้ดีแล้วที่ได้พระสมณะผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากอย่างนี้เป็นเพื่อนพรหมจารีของพระองค์พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระศาสดาของพระองค์คงมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากเป็นอัศจรรย์เป็นแน่ ทั้ว ง, งไม่ควรยึดมั่นครั้งนั้นท่านพระมหาโมคลานะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งอยู่ณที่สมควรเรียกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคย่อมทรงทราบว่าพระองค์เป็นผู้ตรัสความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิน้นปัญหาโดยย่อแก่จอมเทพผู้มีศักดา์มากผู้ใดผู้หนึ่งบ้างหรือหนอ พระผู้มีพระภาคตรัสว่าโมคลาณะเรารู้อยู่จะเล่าให้ฟังเท้าสักกะจอมเทพเข้ามาหาเราถวายอภิวาทแล้วได้ประทับยืนอยู่หน้าที่สมควรแล้วได้ตรัสถามเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไหร่ภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสาเร็จสูงสุด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 เราเป็นผู้กล่าวความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่อแก่เท้าสักกะจอมเทพอย่างนี้พระผู้มีพระภาคไดต้ตรัสพาสิทนี้แล้วท่านพระมหาโมคลานะมีใจยินดีชื่นชมพระภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลจุลตัญหาสังขยะสูตรที่เจ็ด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 วิญญาณนี้นั่นแลไมิใช่เอ่นท่องเที่ยวไปเล่นไปลำดับนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายปรารถนาจะปลดเรื่องสาติภิกษุจากทิฏฐิชั่วนั้นจึงซักไซ่ไล่เลียงสอบสวนว่าท่านสาติท่านจะได้กล่าวอย่างนี้ท่านจะได้กล่าวตูพระผู้มีพระภาคการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเป็นการไม่ดีเลยเพราะพระผู้มีพระภาคม่ได้ตรัสอย่างนี้เลย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 พุทธเจ้าทรงกำราบท่านสาติครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุรูปหนึ่งมาตรัสว่ามาเถิดภิกษุเธอจงไปเรียกสาติภิกษุปุถชาประมงมาตามคําของเราว่าท่านสาติพระศาสดาตรัสเรียกท่านภิกษุรูปนั้นทูลรับสนองพระดารัสแล้วจึงเข้าไปหาสาติภิกษุแล้วบอกว่าท่านสาติ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 ท่องเที่ยวไปแล่นไปจริงหรือสาติภิกษุทูลตอบว่าจริงพระพุทธเจ้าค่าข้าพระองค์รู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าวิญญาณนี้แลมิใช่เอื่นท่องเที่ยวไปแล่นไปพระผู้มีพระภาคตรถามว่าสาติวิญญาณนั้นเป็นอย่างไรสาติภิกษุทูลตอบว่าสภาวะที่พูดได้รับรู้ได้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 เมื่อพิสุทั้งหลายกราบทูลอย่างนี้สาติภิกษุปุจรชาประมงจึงนั่งนิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเศร้าหมดปฏิพานจากนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าสาติภิกษุบุตรชาประมงเป็นผู้นิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเศร้าหมดปฏิพานแล้วจึงตรัสกับเธอว่าโมคะปุรุษ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 ข้อนี้มีไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่ะเพราะวิ ญ, ญญาณอาศัยปัจจัยจึงเกิดขึ้นพระผู้มีพระภาคตรัสแล้วแก่าพระองค์ทั้งหลายโดยปริยายเป็นอเนกว่าปราศจากปัจจัยก็ไม่มีความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายดีละดีละเธอทั้งหลายรู้ทั่วถึงธรรมตามที่เราแสดงแล้ววิ ญ, ญญาณอาศัยปัจจัยจึงเกิดขึ้น เราเกล่าวไว้แล้วโดยปริยายเป็นอนเนกว่าปราศจากปัจจัยก็ไม่มีความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณแต่สาติภิกษุบุตรชาวประมงนี้กล่าวต่เราขุดตนเองและจะประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากด้วยเพราะทิฏฐิที่ตนถือผิดความเห็นอย่างนั้นของโมฆะบุรุษนั้นจะเป็นไปเพื่อสิ่งมิใช่ประโยชน์และเพื่อความทุกข์ตลอดกาลนานภิกษุทั้งหลาย วิญญาณที่เ <Beifall> กิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยใดๆก็นับว่าวิญญาณตามปัจจัยนั้นๆวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขคุและรูปอารมณ์ก็นับว่าจักขคุวิญญาณวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยโสตะและสัทธารมณ์ก็นับว่าโสตะวิญญาณวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยคานะและคันธารมณ์ก็นับว่าคานวิญญาณ วิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยชิวหาและรสารมณ์ก็นับว่าชิวหาวิญญาณวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยกายและโผทพารล์ก็นับว่ากายวิญญาณวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยมโนและธรรมารมณ์ก็นับว่ามโนวิญญาณภิกษุทั้งหลายไฟที่ติดขึ้นเพราะอาศัยเชื้อใดๆก็นับว่าไฟตามเชื้อนั้นๆ ไฟที่ติดขึ้นเพราะอาศัยไม้ก็นับว่าไฟไม้ไฟที่ติดขึ้นเพราะอาศัยป่าก็นับว่าไฟป่าไฟที่ติดขึ้นเพราะอาศัยหญ้าก็นับว่าไฟหญ้าไฟที่ติดขึ้นเพราะอาศัยมูลโคก็นับว่าไฟมูลโคไฟที่ติดขึ้นเพราะอาศัยแกลบก็นับว่าไฟแกลบไฟที่ติดขึ้นเพราะอาศัยอยากเยื่อก็นับว่าไฟยากเยื่อแม้ฉันใด วิญ ญ, ญาณก็ฉันนั้นเหมือนกันเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยใดๆก็นับว่าวิญ ญ, ญาณตามปัจจัยนั้นๆวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขคุและรูปารมณ์ก็นับว่าจักขุวิญญาณวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยโสตะและสัทธารมณ์ก็นับว่าโสตะวิญญาณวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยคานะและคันธารมณ์ก็นับว่าคานวิญญาณ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 ใจเป็นเหตุเกิดแห่งขันห้าภิกษ <'s mean> <Mercy> ุท <Oy DJ> ั้งหลายเธอทั้งหลายเห็นว่าขันห้าเกิดขึ้นแล้วหรือเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะเธอทั้งหลายเห็นว่าขันห้านั้นเกิดขึ้นเพราะอาหารหรือเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะเธอทั้งหลายเห็นว่าขันห้านั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารนั้นหรือเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะ